บรรดานิทานสีขาวเรื่องบุญมาผู้มีใจริษยาทองคำและบุญมาเป็นชาวนาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทองคำเป็นคนฉลาดขยันขันแข็งมีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากคนหนึ่งส่วนบุญมาเป็นคนเกียจคร้าน จิตใจฟุ้งซ่านไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีและคอยคิดดิษยาผู้ที่มีดีกว่าตนเสมอด้วยเหตุนี้บุญมาจึงไม่เคยได้รู้จักกับความสุขในชีวิตของเขาเลยนอกจากจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วความมีอัธยาศัยไมตรีของทองคำก็ทำให้เขาเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านด้วย ชาวบ้านชอบแวะเวียนมาพูดคุยกับทองคำและสรรหาของฝากดีๆมามอบให้แก่ทองคำเสมอนั่นทำให้บุญมารู้สึกอุริศยาทองคำมากทั้งๆ ท, งที่ทองคำไม่เคยทำอะไรบุญมาแต่การที่ทองคำเป็นที่รักของใครๆและมักจะได้รับแต่สิ่งดีๆอยู่ตลอดนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ คนจิตใจริษยาอย่างบุญมารู้สึกเกลียดชังน้ำหน้าเขานับวันบุญมายิ่งเพิ่มพูนความอิจฉาริษยาในใจที่มีต่อทองคํามากขึ้นเพียงแค่เห็นหน้าก็พารู้สึกโกรธเกลียดจนอยากจะเข้าไปทำร้ายแต่เพราะทองคําเป็นที่รักของชาวบ้านและชาวบ้านทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลือปกป้องทองคาเสมอยามเขาเดือดร้อน ดังนั้นบุญมาจึงได้แต่เก็บความแค้นเคืองของตนไว้ในใจแล้วเข้าไปสาบแช่งทองคําให้ประสบกับความบิบัติล่มจมต่อหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านแทนข้าแต่องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บุญมาพนมมือกล่าวต่อหน้าองค์พระแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชนิงชังวันนี้ ข้าได้นำเครื่องบูชามากมายมามอบแก่ท่านเพียงเพื่อให้ท่านช่วยบรรดานในสิ่งที่ข้าต้องการเล็กน้อยนั่นคือข้าอยากขอให้ท่านมอบความวิปัติชิบหายให้แก่ไอ้ทองคำผู้ที่ข้าเกลียดยิ่งกว่าสัตว์เลื้อยคานข้าขอให้ไรนาของมันเก็บเกี่ยวไม่ได้ขอให้วัวควายที่มันเลี้ยงไว้ล้มตายจนหมดขอให้มันไม่มีจะกินขอให้มันไม่มีความสด ให้มันตายไปในสามวันเจ็ดวันนี้ได้ยิ่งดีหากท่านช่วยทําคําขอของข้าให้เป็นจริงทุกประการข้าจะนําเครื่องบูชาที่มากกว่านี้มาถวายท่านอีกเมื่อสิ้นเสียงร้องขออันอับประมงคลของบุญมาหนูตัวหนึ่งก็วิ่งทรวดเข้ามาโดยไม่มีตี่ไม่มีคุยมันวิ่งตรงไปยังเครื่องบูชาของบุญมาและเหยียบย่าไปมาบนสิ่งของเหล่านั้น บุญมาตกใจรีบเอาไม้กวาดที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นขึ้นไล่ตีแต่เจ้าหนูตัวเล็กว่องไวกว่ามากมันหลบซ้ายหลีกขวาหนีไม่กวาดในมือของบุญมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ mm hmm. เมื่อมันวิ่งย่ำบนเครื่องบูชาของเขาทะเลเทไปที่พอใจแล้วมันก็หนีหายไปทางรูกำแพงเล็กๆด้านหลังพระพุทธรูป บุญมาหันกลับมาเก็บเครื่องบูชาของตนให้เข้าที่เข้าทางอีกครั้งก่อนจะกลาบลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วกลับไปรอชมความหายนะของทองคำอยู่ที่บ้านอย่างเบิกบานใจแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักประสิทธิ์ประสาทแต่พรที่บริสุทธิ์และช่วยเหลือเพียงผู้ที่ประพฤติดีดังนั้นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงไม่รับเครื่องบูชาจากบุญมา ซ้อย่างมอบความเมตตาให้แก่ทองคําผู้ที่อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขเช่นเดียวกับตัวเขาโดยที่ทองคําไม่ต้องอ้อนวอนขอดังนั้นในคืนหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงมาเข้าฝันทองคําและบอกแก่เขาว่าทองคําเอ๋ยหลังจากที่เจ้าภาคเทียนทํางานหนักอย่างยากลําบากมาเป็นแรงเดือนในพรุ่งนี้ เจ้าจะได้พบกับผลผลิตซึ่งคุ้มกับความภาคเพียรของเจ้าจงลุกขึ้นไปทำไร่เสียเดี๋ยวนี้เถิดเพราะสิ่งที่ว่านั้นได้รอคอยเจ้าอยู่แล้วทองคำสะดุ้งตื่นจากความฝันอันน่าอัศจรรย์ใจนั้นเขานิ่งทบทวนเรื่องราวที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กล่กกาวอยู่คู่หนึ่งก่อนจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วถือจอบเสียมไปที่ไร่ตั้งแต่เช้ามืดของวันนั้น เมื่อมาถึงยางไร่ทองคาก็ทำงานของตนไปตามปกติจนกระทั่งมาถึงแปลงฟักทองทองคาจึงได้พบฟักทองยักษ์ลักษณะแตกประหลาดผลหนึ่งขึ้นเด่นมาตรงกลางแปลงเปลือกของฟักทองผล น, นี้เป็นสีรุ้งทั้งเจ็ตัวผลมีกลิ่นหอมดังดอกมะม่วงยิ่งไปกว่านั้นยังมีเท้าสี่เท้ า, ทาหางและง่วงงอขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งทำให้แลดูเหมือนช้างมากทีเดียวทองคำคิดว่าฟักทองมหัศจรรย์ผลนี้ควรค่าแก่การเป็นของขวัญแด่พระราชามากกว่าดังนั้นทองคำจึงห่อฟักทองไว้ในผ้าอย่างดีแล้วออกเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อมอบของขวัญสุดมหัศจรรย์นี้ให้แก่พระราชาที่เขาเทิดทูล เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าไปถวายสิ่งของได้ทองคาจึงนงฟักทองมหัศจรรย์วางไว้เบื้องพระบาทของพระราชาเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะแก่พระองค์พระราชาทอดพระเนตรฟักทองของทองคาแล้วทรงโปรดนะักถึงกับทรงอุทานว่าโอ้ดูฟักทองนี่สิช่างวิเศษอะไรอย่างนี้นะข้าชอบมากทีเดียวดีละ เพื่อเป็นการตอบแทนของขวัญอันแสนวิเศษนี้จักเจ้าข้าจะมอบช้างลักษณะดีให้เจ้าหนึ่งเชือกด้วยเช่นกันทองคำทราบซึ้งในพระทัยของพระราชาเขากราบพระบาทพระราชาแล้วทูลลากลับหมู่บ้านของตนด้วยความปิติเรื่องของทองคำเป็นที่โจษจันกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านในไม่ช้าความก็รู้ไปถึงหูบุญมาจนได้ แน่นอนวพาะทำให้เขารู้สึกริษยาทองคำเพิ่มเป็นทวีคูณจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับไอ้ทองคำนี่มันดวงแข็งซิจริงข้าไม่ยอมหรอกข้าจะต้องทำให้พระราชาทรงโปรดข้ามากกว่าไอ้ทองคำบุญมาคิดในใจถ้าพระราชาทรงโปรดข้าพระราชาก็ต้องให้ของขวัญตอบแทนข้าดีกว่าที่ให้มันถ้ากับอีกแค่กับช้างฟักทองนั่น ทำให้พระราชาทรงโปรดได้ช้างเป็นเป็นก็ต้องทําให้พระองค์ทรงโปรดยิ่งกว่าพระราชาอาจจะพระราชทานหมู่บ้านให้เราสักสองสามแห่งและตั้งให้เราเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านก็ได้ใครจะรู้ <ME> <OR> I, เมื่อคิดได้ดังนั้นเช้า ว, วันรุ่งขึ้นบุญมาจึงเป่าประกาศขายไร่นาวัวควายและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเขาแล้วเอาเงินที่ได้มาไปซื้อช้างใหญ่เชือกหนึ่ง จากนั้นบุญมาจึงออกเดินทางเพื่อนำช้างไปถวายพระเจ้าแผ่นดินในเมืองหลวงบุญมาได้เข้าเฝ้าพระราชาเช่นเดียวกับทองคำแต่เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นช้างที่บุญมานำมาถวายพระองค์ก็ไม่เข้าพระทัยว่าเหตุใดชาวนาพุ่งนี้ จึงนำช้างเป็นเป็นและไม่ใช่ช้างลักษณะดีอะไรมาถวายพระองค์ ท, งทั้งที่พระองค์ก็ทรงมีช้างหลวงลักษณะดีอยู่แล้วหลายเชือกดังนั้นพระราชาจึงยังไม่รับช้างของบุญมาและตัดเรียกเสนาบดีผู้หนึ่งให้เข้ามาหาพร้อมกับทรงมีพระบัญชาให้เสนาบดีสอบสวนที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้ทรงหายคลางแคลงพระไทยเสียก่อน เสนาบดีผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมดังนั้นเมื่อได้พูดคุยซักถามเรื่องราวต่างๆจากบุญมาเขาก็วิเคราะห์ได้ทันทีว่าความริษยาคือแรงผลักดันที่ทําให้บุญมานําช้างมาถวายพระราชาเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วเสนาบดีจึงเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระองค์รับทราบเรื่องเป็นเช่นนี้เองแต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านผู้นี้ได้ยืนยันที่จะมอบช้างของเขาให้แก่เราดังนั้นเราจึงต้องรับช้างเชือกนั้นไว้แต่จะให้สิ่งใดเป็นการตอบแทนเขาดีเล่าจึงจะเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงฮงึท่านเสนาบดีพระราชาตรัดถามเสนาบดีเพื่อขอความเห็นกลาบทูลใต้ฝ่าละองพระบาท พระองค์ทรงพระราชทานช้างลักษณะสวยงามให้แก่ชาวนาคนก่อนที่นำฟักทองมหัศจรรย์มาถวายดังนั้นจึงควรพระราชทานฟักทองผลงามผลหนึ่งแก่ชาวนาผู้นี้ที่เอาช้างมาถวายพระองค์เถิดพระเจ้าข่าเซนาบดีทูลตอบอย่างชานฉลาดเมื่อบุญมาได้รับฟักทองธรรมดาผลหนึ่งเป็นของขวัญจากพระราชาก็ตอมใจเป็นยิ่งนัก เขาขายไรนาสัตว์เลี้ยงและสมบัติอื่นๆจนหมดเพื่อซื้อช้างมาถวายโดยหวังสิ่งตอบแทนที่มีราคามากกว่าจากพระราชาบัดนี้เขาไม่เหลืออะไรติดตัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อบุญมากลับไปยังหมู่บ้านชาวบ้านในที่นั้นต่างพากันหัวเราะเยาะและขับไล่สายส่งบุญมาเหมือนเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำน่ารังเกียจ เช่นเดียวกับที่บุญมาเคยรู้สึกกับทองคำบุญมาจึงจำต้องระเหตุออกจากหมู่บ้านและเดินเร่ร่อนไปในที่ต่างๆอย่างคนไม่มีจุดหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะความริษยาของเขาเองโดยแท้เธอทั้งหลายคนเราทุกคนล้วนเกิดมาบนรากฐานชีวิตที่แตกต่างกันนอกจากนั้น เมื่อเติบโตขึ้นเราทุกคนก็ยังมีชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วยไม่มีใครมีอะไรที่เหมือนกันได้ทุกอย่างหรอกเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะมีไม่เท่าใครเขาและเขาก็อาจมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเธอแต่นั่นแหละคือความหมายของชีวิตความแตกต่างนั่นเองคือความสวยงามที่ทำให้โลกของเรามีสีสัน ด้วยจังหวะชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ทุกคนมีหน้าที่ตามรูปแบบชีวิตของแต่ละคนถ้าเธอคิดได้เช่นที่กล่าวมาเธอจะเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถใช้ชีวิตของตอนเองไปตามคันลองที่ควรจะเป็นดังเช่นทองคำแต่หากเธอไม่รู้สึกพอใจในตนเองไม่เพียรพยายามใช้วิธีสุจริตที่ทาให้ตนเองได้พบกับสิ่งที่ดีกว่า มัวเสียเวลาไปกับการริษยาทำร้ายคนอื่นดังเช่นบุญมาทายที่สุดแล้วชีวิตเธอก็จะมีจุดจบดังเช่นบุญมาคือไม่มีความสุขขาดมิตรแท้ไร้ความรักและต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในที่สุดเราไม่จําเป็นต้องอยู่อย่างคนมั่งมีหรอกแต่เราจําเป็นต้องอยู่อย่างคนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดริษยาใคร ความริษยาจะทําให้เธอเสียความสุขไปทันทีที่เธอคิดริษยาผู้อื่นเชื่อเธอว่าชีวิตคนเราไม่ยืนยาวนักดอกวันนี้เธอยังอยู่พรุ่งนี้เธออาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้และในเมื่อชีวิตมันสั้นเพียงเท่านี้เธอจะทําให้ชีวิตของตอนเองลิ้มรสความสุขน้อยลงอีกทําไม